เนี่ยพูดมาเยอะนี่พูดอยากให้รู้อะไรอ น, นิจจาอา น, นิจจังมันก็แค่นั้นแหละเนี่ยนะอ น, นิจจังขยับเถนะเป็นของที่คือให้รู้เธอว่าเร า, น, รออานีน่ครบไม้อ้อว่างั้นครบไม้อ้อครบไม้ผูกว่างั้นคบต้นกล้วยแค่นั้นแหละไม่ได้อายุยืดอายุยืนอายุยาวอะไรไปเชื่อมากเนี่ยนะเชื่อไว้เธอพระพุทธเจ้าพูดไม่ผิดอา น, นิจจังขยับเถนะสิ้นไปทุกขังมหาภาระดูแลไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะ แล้วก็อนัตตามีใครมีอำนาจจริงๆอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันก็เป็นไปอย่างนี้แหละชีวิตแต่ผู้ใดที่หมกมุ่นสยบสยบอยู่กับรูปปล่อยใจเนี่ยนะให้อานาจกับรูปเต็มที่สุดแท้แต่รูปถ้ารูปดีก็ดีใจถ้ารูปเสียก็เสียใจเขาเหล่านั้นจะจมอยู่ในกองทุกข์หาที่สุดไม่ได้พระอรหันต์กับปุถุชนเนี่ยต่างกันอย่างไรเอาแบบสุดๆเลยนะมาเปรียบกันสุดๆ ปุตุชนทั้งหลายคือผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของรูปถ้ารูปดีก็ยิ้มแต่ถ้ารูปเลวก็เสียใจแย่เลยนะหมายความว่าที่ง่ายๆถ้าเขายิ้มมาเราก็มีความสุขมากยิ้มตอบไปถ้าเขาบึ้งมาก็บูดตอบอย่างเงี้ยนะนะครับว่ามันปุตุชนเนี่ยมันแล้วแต่รูปจริงๆแล้วแต่รูปถ้ารูปดีก็ดีใจรูปไม่ดีก็ไม่ดีใจเสียใจท้ารหันทั้งหลายท่านมีจิตใจของท่านเหนือรูป ท่านมองบอกว่ารูปทั้งหลายมันก็เหมือนกับเนี่ยแหละเหมือนกับฉากแต่ละฉากในทีวีนั่นแหละจะไปให้ค่าให้ความสำคัญอะไรกันนกักอ่างนั้นก็คือมันก็เป็นสิ่งที่มีมีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารูปโดยศัพ์สำหรับผู้ที่เข้าถึงความจริงแท้ก็บอกว่าสิ่งที่แปรผันรูปเนี่ยนิยามของรูปความหมายของคาว่ารูปปะรู ป, ปแปลว่าแปรผันเพราะวิโรธิร้อนก็แปร ก็ดูจิตใจของเราสินะเอาอังกฤษสีหน้านะร้อนมากเดี๋ยวก็ถ้าร้อนก็หน้าก็แปรไปอีกอย่างหนึ่งเย็นก็แปรไปอีกแต่ละอุณหภูมิแต่ละองศาเนี่ยนะสีหน้าก็แววตาแววตานี่แปรไมน่ากับสีหน้าอ่ะนะแววตาก็แปรสีหน้าก็แปรมันก็แปรเพราะพระอุณหภูมิบ้างนะแปรเพราะอาหารบ้าง เพราะวิโรธที่ปัจจัยต่างๆบ้างเนี่ยนะเพราะหนาวเพราะร้อนเพราะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยงลมแดดพันรูปทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะแปรผันผันแปรไม่เป็นของเที่ยงแท้แต่ถ้าผู้ใดที่เป็นคนเขา่าไม่ศึกษาธรรมวินัยของพระรีเจ้าเขาจะอยู่จิตใจของเขาเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของรูปถ้าจิตใจของเขาเนี่ยตกอยู่ภายใต้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นอย่างไร ก็มีโยมคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ยไปอยู่ในตลาดทุนกับเราพักเดียวในครึกเลยนะเลิกเลยเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะว่ามันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะพอขาขึ้นก็ดีใจพองเต็มที่ขาลงก็แฟบแฟบพองฟองแทบโอ้ยแบบนั้นใจมันจะเป็นยังไงก็เดือดร้อนมากเลยบอกว่าพอแล้วพอแล้วกันมีบางคนเขาเป็นอย่างไงแต่บางคนก็ก็ทําใจได้นะยอมรับเหมือนกันน้ําขึ้นน้ําลงก็ทําใจได้ก็งั้น พยายามจะทําใจนะแต่ก็แต่ก็ดีใจกับเสียใจตามเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้มันปริมาณมันลดลงให้มันน้อยลงเท่านั้นเองแต่ว่ารูปพูดแบบคนทั่วๆไปอยู่ในโลกเนี่ยคือผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของรูปจิตใจของเขาเนี่ย เ, ออเขาจะช่วงนี้เขามีความสุขมากเขาดูจากอะไรช่วงนี้รูปบริบูรณ์พูนสุขเขาก็ยิ้มแป้มีความสุขช่วงนี้เขาเครียดมากเรือร้อนมากเพราะอะไรเพราะรูปมันเริ่มมีปัญหา เริ่มเริ่มไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการเพระั้นจิตใจขึ้นตรงต่อรูปถ้ารูปดีก็ดีใจถ้ารูปไม่ดีก็ก็เสียใจเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าอย่างใครที่มีความสุขกับการเลี้ยงเด็กเนี่ยนะชอบเด็กมากเป็นคนรักเด็กถามว่าถ้าเด็กป่วยเขามีความสุขไหมมันถ้าเด็กป่วยใจเขาก็ป่วยทีถ้าเด็กยิ้มใจเขาก็ยิ้มทีถ้าเด็กป่วยเขาป่วยทีก็ดีใจเสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจถ้าใจของคนที่ขึ้นตรงต่อรูปจะเป็นอย่างนั้นสุดแท้แต่รูป รูปเป็นตัวกำหนดถ้าอยากให้เขาดีใจก็แต่งรูปให้ดีเขาจะดีใจถ้าอยากให้เขาเสียใจแต่งรูปที่ไม่ดีเขาก็เสียใจเหมือนกับใครที่เอาใจไปฝากไว้กับรูปใดเนี่ยนะอย่างคนที่ชอบเอาใจของตัวเองไปฝากไว้กับสีหน้าคนใดนะถ้าสีหน้าคนนั้นจะเปลี่ยนจะมั่นคงไหมถ้าเขายิ้มทีก็มีความสุขยิ้มนะถ้าเขาทำหน้าเบี้ยวทีหนึ่งทุกทีหนึ่งนะ ก็ถ้าเอาสีหน้าหมายว่าเอาใจของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาคนอื่นน่ะถ้าสายตาคนอื่นเขามองด้วยความชื่นชมก็มีความสุขมากถ้าเขาถลึงทีเดียวเนี่ยนะโอ้โหอเหี่ยวไปเจ็วันเลยก็มีมันก็สรุปว่าพวกนี้ก็เอ า, เอาจิตใจของตัวเองไปไว้เนืออ้อใต้อํานาจของรูปผู้ที่มีจิตใจทายใต้อยู่ใต้อํานาจของรูปธรรมชาติของรูปเป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติชาราและ มรณะแล้วตัวรูปเองเนี่ยนะถ้ารูปอย่างดีเป็นที่ตั้งแห่งราคะรูปอย่างเลวเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเนี่ยนะไอ้ tte? รูปกลางๆล่ะมันแล้วแต่ว่ากลางประเภทแนวโน้มไปทางดีหรือทางเลวถ้ากลางกลางแนวโน้มไปทางดีก็จะเป็นใกล้ๆต่อสุขไปถ้ากลางกลางประเภทแนวโน้มไปทางเลวเครียกอะไรนะเรียกว่ามันปกติค่าปกติแต่ค่อนข้างไปทางเลวหรือทางดีก็งั้นเรียกว่าค่าปกติมันมีอยู่2องสองภาคนะ แนวโน้มทางเลวหรือทางดีเพราะจิตใจของคนที่อยู่ภายใต้อำนาจรูปจะมีความสุขมาจากไหนเพราะรูปในโลกท่านเคยเห็นไหมว่ารูปมันเที่ยงมเมื่อรูปไม่เที่ยงะนะแล้วรูปที่มัไม่เที่ยงด้วยตัวรูปเองก็เป็นทุกข์แล้วจิตใจที่ไปอยู่ใต้อำนาจของรูปะจะทุกข์ขนาดไหนโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาตมันผู้ใดมีใจผูกพันกับรูปเท่ากับผู้นั้นมีใจ ผูกพันอยู่กับทุกข์ถ้ามีใจผูกพันอยู่กับทุกข์พ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้หรอกเนะี่ยนแล้วเมื่อไหร่จะมีความสุขพันอริยาสาวกนั้นจึงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อหลีกออกจากรูปซะทิ้งรูปอันนี้แล้วไม่ถือหารูปอันใหม่แต่ถ้าหากว่าทิ้งรูปอันนี้ทิ้งกองทุกข์อันนี้ก็สแสวงหาแต่กองทุกข์ใหม่ๆอยู่ร่าไปไม่มีจบมีสิ้นพันตั้งเต้าไมายเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องเบื่อหน่ายและคลายกำหนัด ต้องหลีกจากรูปให้ได้นีนะหลีกจากรูปแล้วก็ไม่มีรูปโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะมุ่งจะดับรูปแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดจะจากรูปจริงๆขอเกาะรูปตลอดไปนะขอเอารูปนี่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าไปไหนก็ไปแสวงหาแต่รูปเนี่ยนะแสวงหาแต่สีเสียงกลิ่นรบเลยเนี่ยมันจบลงที่ไหนเขาบอกว่าพบที่มีรูปมันก็มีอะไรนรกก็มีรูปไม่ได้ปฏิเสธว่า นรกคืออะไรก็คือรูปที่มันสุดเลวมหาเลวเนี่ยนะเช่นปฐวีธาตุปกติเขาอยู่กันแค่ 20-30 องศาเจ้านี้ไปเป็นหมื่นองศายัางไงนะหรือเป็นห ล, หลายหมื่นองศานี่ก็เกินไปไรหรือบางแห่งเนี่ยมันเย็นเย็นซะปกติเขาติดลบสักไม่เท่าไหร่ก็อยู่พออยู่ได้อันนี้มันติดลบเป็นหมื่นหมื่นเท่าอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ยากเพราะเย็นสุดๆร้อนสุดๆหารุโหดสุดๆเลยนะ ถ้ากลิ่นเนี่ยปกติเขาเหม็นธรรมดาอันนี้เหม็นแบบจะเรียกว่าจรดเยื่อในกระดูกเหม็นแบบสมองแทบแตกกันนะหายใจเข้าไปทีประดุดหายใจเอาสารพิษเข้าไปว่างนะั้นเถอะมันหมักหมมเป็นมหาแก๊สอะไรขนาดไหนไม่ทราบเนี่ยหมักหมมถึงขนาดว่าเลวร้ายมากเพราะทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโาพิตภัก็คือปฐวีธาตุชั้นเลวเรียกว่าปฐวีธาตุเลวมากนะนะอาปโปธาตุย่างเลวเตชโชธาตุย่างเว วาโยธาต์มหาเลวเนี่ยนะอะไรอะไรที่มันเร็วๆทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอบายนรกแปลว่ามันไม่มีความสุขความเจริญอะไรเลยถ้าเปรตอ่ะก็อดจากหิวโหยถ้าเดรัฉานก็ไปตามขวางขวางและชีวิตยากที่จะงอกเงยในกุศลธรรมถ้ามาเป็นมนุษย์อ่ะเป็นมนุษย์เนี่ยนะถาวาเลี้ยงรูปเนี่ยเลี้ยงง่ายหรือยากแค่สแสวงหาอาหารเนี่ยนะเรียกว่าเลี้ยงให้ปากท้องเนี่ยมันหาเลี้ยงยากเพราะอย่างแนวโน้มอย่างมนุษย์เนี่ยมันมากขึ้น ห้พันล้านเนี่ยมันจะกินอะไรต่อไปเนี่ยถ้าใครจะไปขยันปลูกผักเลี้ยงนักพลังงานใครจะไปขยันปลูกข้าวเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงเนี่ยเยอะแยะไปหมดขนาดนี้มันจะทํำยังไงแล้วก็พื้นที่ที่พ่อปลูกมันก็ลดลงไปเพราะว่าที่ที่ไหนพ่อปลูกดีๆงามๆก็มาสร้างบ้านสร้างช่องหมดทีนี้ไอ้ที่พ่อปลูก เ, เร็วๆนั่นแหละนั่นแหละที่จริงมันต้องไปสร้างบ้านนะถ้าบ้านต้องไปสร้างในสถานที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยต้องไปสร้างแถวนั้นไอ้ที่อย่างเช่นแผ่นดินกรุงเทพเนี่ยก็บอกที่ไหนทำนาดีที่สุด ผลผลิตเกษตรดีที่สุดบอกในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะเป็นสถานที่เพาะปลูกดีที่สุดแต่เราก็สร้างบ้านสร้างเมืองเต็มที่สุดไอ้ที่ไหนทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งปล่อยรกปล่อยขว้างเลยนะก็เรียกว่าใช้ผิดประเภทมันอาหารก็เริ่มอดอยากแล้วในโลกต่อไปอาหารมันก็เริ่มอดอยากขึ้นอาหารในโลกเริ่มขาดแคลนขึ้นเพราะอาหารขาดแคลนขึ้นประชาชนมากขึ้นนั่นจะอยู่กันยังไงเนี่ยเยอะยะๆยอไปหมดเลยุ่งเลย เสร็จแล้วถามว่าแล้วนี่แล้วชีวิตเนี่ยมันถ้าชาติเดียวมันก็ไม่มีปัญหานะอย่างคนที่ที่ศึกษาธรรมะคือคนไม่ได้มองอะไรแค่ชาติเดียวอย่างชีวิตที่เป็นทุกข์เหมือนกับว่าถ้าบริหารกองทุกข์นะถ้าวันเดียวจบมันก็ไม่มีปัญหาแต่แต่นี่มันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายสิบปีหลายเป็นเป็นชาติเป็นหลายชาติเป็นหลายสิบชาติเป็นวัดตะเป็นแสนชาติล้านชาติเป็นที่เรียกว่าสะสมกองทุกข์เก็บน้ําตามากกว่าน้ําทะเลอย่างเงี้ย เก็บน้ำตา ม, มากกว่าน้ำทะเลน้ำเลือดที่เสียไปมากกว่าน้ำทะเลทำงานเหงื่อท่วมตัวมากกว่าน้ำทะเลเนี่ยถ้าถ้าเอาน้ำเลือดน้ำทะเลน้ำอะไรมาใส่มันจะเยอะกว่านี้อีกมากใหญ่โตเแลอเกินหาที่สุดไม่ได้แล้วกองทุกที่เรารับเนี่ยมหาภาระขนาดนั้นมันก็คิดดูว่าเราน่าจะจับรูปหรือไม่น่าจาับรูปมีรูปแล้วก็ดับรูปไหนดีกันเนี่ยนะก็เริ่มมาเริ่มมีความคิดว่าถ้ามีรูปก็ดับรูป พันการเจริญกายานุปัสสนาก็คือการศึกษาวิจัยเลือกเฟ้นเพื่อปลดเปลื้องปล่อยใจให้เลิกผูกพันกับรูปเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่พวกฆ่าตัวตายแต่คนคนที่รู้รู้รอบรอบ ร, รู้ในรูปตามตามเป็นจริงแล้วทำยังไงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากรูปเนี่ยนะก็คืออยู่กับรูปตามเดิมดูแลรูปอย่างเดิมนั่นแหละนี่ก็บอกว่า มีครั้งหนึ่งพระเจ้ามิลินต่อว่ากับพระนาคเสณบอกว่าที่ว่าพราละหันนะอบอกพระนากเสยทุกคนเนี่ยมันก็มีแต่ล้วนแต่รักตัวทัว้งนั้นแหละคำว่างั้นล้วนแต่รักตัวทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่รักตัวหรอกเอ้ยพราละหัน์ไม่รักร่างกายแล้วนะไม่รักรูปเอ้ยไม่ไม่เชื่อพราละหันก็ท่านก็ยังฉันอยู่นี่ท่านก็ยังหลับยังนอนยังทําอะไรอยู่เพาราะฉะนั้นพระรหันท่านก็ยังรักรูปเหมือนกันนะพระนาคเสนพระเจ้ามิลินท่านต่อว่าอย่างนี้ ว่าพระรหารก็รักรูปเหมือนกันท่านก็ติดในรูปก็ดูสิท่านยังบินธบาติชั้นท่านยังพักยังปอนยังหลับยังนอนก็แสดงว่ายังรักร่างกายสินะยังมีกินการกินการดื่มเป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงว่ายังรักร่างกายสิอบอกว่ามหาประพิธพระองค์นี่เคยเป็นทหารใช่ไหมบอกใช่สกษตัตริกโบราณเป็นทหารทั้งนั้นแล้วถามว่ า, าแล้วเคยมีการเข้าสนามรบเป็นต้นไหมมีทหารเข้าสนามรบไหมบอกมี แล้วทหารเวลาไปรบเนี่ยมีการฟาดฟันกันแล้วมีบาดมีแผลเป็นต้นมีไหมบอกมีแล้วเอาทหารกลับมารักษาเนี่ยต้องรักษาไหมบอกรักษาเวลารักษานี่ยทำยังไงก็มีการเรียกว่าอะไรนะล้างแผลตามการทายาตามการแล้วเอาผ้ามาปิดแผลดูแลแผลจนกว่าแผลเนื้อมันจะประสานรักษาแผลให้สนิทเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นอ่ะทหารนี่รักแผลมากเลยใช่ไหม ชอบแผลมากจึงปรนนิบัติแผลอย่างดีใช่ทายาอย่างดีอานะอาผ่าปิดอย่างดีแสดงว่าทหารรักแผลบอกไม่บอกว่าทหารจริงๆไม่ได้รักแผลแต่ว่าดูแลไปตามตามกิจนั้นๆถ้าไม่ดูแลมันสร้างปัญหาใช่ไหมฉันใดพราทหารทั้งหลายก็ดูกายดูแลบำรุงรูปฉันนั้นท่านก็เหมือนกับว่าท่านดูแลแผลเนี่ยนะ ดูแลแผลคือตาแผลคือหูแผลคือจมูกแผลคือทวารปากทวารลิ้นแผลคือร่างกายร่างกายเป็นดุดแผลสดที่รักษาไม่หายนั้นก็ดูแลไปอย่างนั้นแหละท่านไม่ได้มีใจผูกพันหรอกเพราะฉะนั้นการบริโภคปัจจัยก็เหมือนกับการาทาแผลใช้ยาทาแผลเท่านั้นเองการบริโภคปัจจัยของพระอรหันต์ทั้งหลายในความรู้สึกจริงๆแล้วสามั ญ, ญสํานึกของท่านบอกว่าการทา การทาแผลการดูแลแผลการรักษาแผลท่านไม่ได้เข้าใจผิดวิปลาสอะไรเลยแต่ซึ่งตรงกันข้ามกับปุถุชนทั้งหลายไม่ได้คิดว่าเป็นแผลปุถุชนทั้งหลายคิดว่านี่คืออะไรจะงดงามปานนี้ไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็อะไรนะเขาบอกว่านักผ่าศพเนี่ยนะนักผ่าศพมือนหนึ่งระดับโลกเขาเรียกว่าผ่ามาได้ทุกอนูเขาเรียกว่าแทบจะทุกเส้นใยของร่างกายเนี่ยนะั ผิวเนี่ยลอกลอกลอกๆอกไปแบบว่าทุกแทบจะทุกสรีระทุกอณูก็บอกว่าอู้ใ น, นโลกนี้อะไรจะวิจิตงดงามเท่ากับร่างกายเหล่านี้อีกแล้วไม่มีถ้าเราว่าเพี้ยนขนาดนั้นนะคิดดูขนาดเอาศพมาชำแหละยังสําคัญว่า ง, งามจริงๆเลยก็ดูสิแม้มันเป็นชั้นเป็นขันเป็นตอนเป็นลือเป็นเส้นเป็นโยงเป็นใยอู้มนทํางานนะ่ะชื่นชมมากเลยนะบอกไม่น้าแล้วอยู่เฝ้าวตายยัตอีกนานเนี่ยนะชื่นชมรูปขนาดนี้แล้วจะจากรูปได้ยังไงเนาะ เขาไม่ค e <Ein> ิดเลยว่ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวทุกขโทมนตอุปายาตขนาดไหนร่างกายของเราเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขหรือเป็นที่ตั้งแห่งทุกบอกว่ามันก็เป็นทั้งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกเป็นที่ตั้งแห่งสุขเนี่ยนะมันจะกี่สิบปีมันก็แป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นที่ตั้งแห่งทุกแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็เดือดร้อนเนี่ยนะ แม้แต่ครับเวลามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะแม้แต่ชั่วโมงเดียวมันก็ร้อนรนเหลือเกิ น, นันการศึกษาสติปัฏฐานการวิจัยการเลือกเฟ้นการใคร่ครวญเนี่ยนะเจริญสติปัฏฐานเจริญเอาสติหรือเจริญเอารูปรูปเป็นอัพยากตธรรมรูปไม่ใช่ตัวปฏิบัติรูปไม่ใช่ข้อปฏิบัติตัวรูปเองไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ถึงพระนิพพาน แต่สติที่ไประลึกรูปวิจัยรูปเลือกเฟ้นรูปปัญญาที่เข้าไปไข้ควรรูปสติเป็นสัมมาสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากล่าวสัมมาทิฏฐิสัมมาสตินั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะตัวสติตัวสัมปชัญญะเป็นข้อปฏิวัติสายกลางเพราะฉะนั้นปัญญาที่พิจารณารูปสติที่ระลึกถึงรูปในสภาพที่เป็นจริงตั้งแต่ย่อสุดๆแล้วก็ขยาย อยากได้อย่างยืดยาวย่อขยายได้จนไม่เผลอในเรื่องรูปไม่มีการเข้าใจคําว่าเผลอเบลอเกี่ยวกับเรื่องรูปเลยจะเรียกว่าสติมั่นคงนะสัมปชัญญะรอบรู้รู้ทั่วอย่างนี้เรียกว่าอาศัมโมหสัมปชัญญะไม่มีคําว่าเผลอไม่มีคําว่าเบลอนะไม่เหมือนกับว่าอะไรเผลอไปเนี่ยนะไม่มีเพราะรอบรู้มองอย่างทะลุโปรป่ปงแล้วก็เครียกว่ามองชีวิตทั้งในแง่ขยายระดับวะตะัตตาแล้วย่อขยายขยายยอ่อย่อขยายเนี่ยชํานาญมาก นี่ในหนึ่งนะแล้วก็มาแบ่งชีวิ ต, ต, แ, ต, แ, ตแต่ละปีแต่เอ่อแต่ละแต่ละวัยเนี่ยจากร้อปีเนี่ยหารมาจนถึงอะไรนะมีการแบ่งมีการหารหาร3หาร10หารหหาร4ี่เนี่ยนะร้อยปีหาร4ี่หารสองหารหา น, 1. นึ่งแม้กระทั่งว่าในหนึ่งปีหาร4หาร3มหารสองหารหนึ่งแล้วก็ทั้งในหนึ่งเดือนนี่ยังหารสองอีกในแต่ละนี้ก็ยังหารหารวันอีกแล้วก็มาหารกลางวันกับกลางคืนแล้วก็มาหารเช้าหารกลางวัน หานเนี่ยนะก็คือมาแบ่งช่วงเช้ากลางวันเย็นหัวค่ําแล้วก็มาแบ่งแม้กระทั่งทุกยืนเดินนั่งและนอนยืนเดินนั่งและนอนก็มาหารการก้าวไปเนี่ยนะการก้าวไปและถอยกลับแม้แต่การก้าวไปยังมาหารอีกยกย่าง ย, าย้ายหย่อนเหยียบยันแล้วก็มาหารกรรมชรูปจิตเชรูปอุตูชรูปและอาหารชร้อโวิจัยเลือกเฟ้นไคข้ครวนะนะมองจากทุกด้านมองโดยรอบเขาเรียกว่าปริญญา พิจารณาใครควรโดยรอบคอบจนไม่เผลอเกี pole pole ่ยวกับเรื่องรูปไม่เผลอใจไปเพลิดเพลินในรูปเพราะผู้ใดเพลิดเพลินในรูปผู้นั้นก็เพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นไปจากทุกท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในรูปเมื่อท่านไม่เพลิดเพลินในรูปท่านจึงพ้นทุก์ท่านก็ทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะหลีกไปหาธรรมที่ดับรูปเนี่ยนะนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปสลัดคืนรูปก็เป็นผู้ที่รอบรู้เหตุเกิดของรูป ว่ารูปเนี่ยมันเกิดเกิดเพราะอะไรรอบรู้ความดับแห่งรูปว่าถ้าจะดับรูปดับได้อย่างไรรู้ความน่ายินดีความน่าเพลิดเพลินความน่าติดใจว่าทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเหลือเกินรอบรู้อัาธะของรูปเป็นอย่างดีขณะเดียวกันท่านรู้ทุกโทษพิษภัยของรูปอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเป็นนักสถิติเนี่ยนะรอบรู้ความเป็นไปของรูปได้อย่างบริบูรณ์และปฏิบัติเพื่อหลีกละเว้นจาก รูปท่านก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ น, นะเพราะอย่างว่าถ้ายังมีรูปก็ยังมีทุกถ้ายังมีรูปยังไงก็ยังมีทุกแต่ถ้าพ้นรูปปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อสละคืนจากรูปโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละจึงจะดับทุกได้เพราะในที่สุดเนี่ยนะว่าการเจริญกายานุปัสสนาแม้แต่การไปและกลับในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ไปในอิริยาบถอะไรเดิน อันนี้เห็นชัดใช่ไหมไปในอิริยาบถเดินแลกลับในอิริยาบถเดินยืนในอิริยาบถเดินเลยเออเข้าไปไปกลับในอิริยาบถยืนก็คือขณะที่ก้มไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังเอ็นกลับมาหรือว่าแม้กระทั่งหันซ้ายหันขวาเป็นต้นเนหรือตลอดจนถึงท่านนั่งอ่ะก้มไปข้างหน้าก็พลิกไปข้างหลังเนี่ยนะเรียกว่าเหยียบไปข้างหลังเอ็นไปข้างหลังแม้กระทั่งนอนนอนพลิกกลับพลิก พลิกซ้ายพลิกขวาเป็นต้นมีการรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่เผลอเลยไม่ไม่เผลอใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเพราะมีสติสัมปชัญญะพระอรหันต์คือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างไพ่บูรณ์และบริบูรณ์ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเผลอเร่อของท่านอีกต่อไปเพราะะ น, นเราต้องมีมีใจว่าเราจะต้องไม่เผลออย่างนั้นจะต้องรอบรู้ในขณนะนั้นได้แต่การที่จะรอบรู้อย่างนั้นได้เนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ย ผู้ที่ปฏิบัติให้ถึงความเป็นท่ารันท่านคิดอย่างไงท่านพิจารณาอย่างไรท่านคิดอะไรท่านมีจิตใจอย่างไรในที่สุดเมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านดํารงอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดจริงๆพวกนี้มันต้องศึกษามาตั้งกต่แรกเลยปฏิสัมพิธาเนี่ยนะใ น, ในปฏิสัมพิธาสุดตามมยาหยาญ ย, ย, ยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทําความเข้าใจว่าโลกของพระอริยเจ้าเป็นอย่างไรเพราะโลกของปุถุชนเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมมัน รู้เพราะอะไรรู้เพราะว่าการครองชีพมันบังคับให้รู้ถ้าคุณไม่รู้คุณเ ส, เสียประโยชน์เพราะนั้นมันก็เลยบังคับให้เรียนรอบรู้ในเรื่องระบบของโลกมันบีบบังคับให้เรียนเองแต่ในทางธรรมะเนี่ยคราว่ามันเป็นวิชาเดียวที่ทุกคนรู้ไหมว่าสําคัญรู้มีประโยชน์ไหมมีถามว่าจะต้องบังคับให้ลูกหลานต้องเรียนไหมไม่บังคับบอกแล้วแต่ใจมันแต่วิชาทางโลกไม่ได้มีประโยชน์ถึงที่สุดใช้ได้ทุกภพทุกชาติไหมบอกไม่ อันนั้อยากจะเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนได้ใช่ไหมบอกไม่ได้ต้องเรียนอย่างเดียวชอบก็ต้องเรียนไะม่ชอบก็ต้องเรียนถ้าวิชาทางโลกนะชอบก็เรียนไม่ชอบก็เรียนแต่ถ้าธรรมะบอกแล้วแต่อัธยาศัวาายว่าไป น, นั่นเขามาบอกว่าโอ๊ยช่างเถอใครคิดอย่างนั้นก็ช่างเขามาถ้าอัธยาศัยเร็วๆนี่ก็อยาก ใ, ให้มันดีเหลือเกินถ้ายิ่งรู้ว่าเร็วมากยิ่งต้องหันกลับมามากถ้ายิ่งอัธยาศัยในวัตตะมากต้องเรียนอนัธยาศัยวิวัฏฏะให้มันแรงถ้ายิ่ง จิตใจไม่ฝักฝ่ทางธรรมเนี่ยนะยิ่งไม่ต้องการยิ่งต้องหาเพราะอะไรก็เหมือนกับถามว่าคนไข้ที่ตัดน้ำตัดยาเนี่ยเป็นคนไข้เอตัดข้าวตัดน้ำตัดยาเนี่ยเป็นคนไข้ที่น่าน่าปล่อยปลแต่ใช่หหรือว่าน่าเข้าไปดูแลให้เต็มที่ฉันใดถ้าจิตใจของเราไม่สนใจทางธรรมะเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสมควรแล้วที่จะต้องมาสร้างมาบ่ม ก็บอกว่าถ้ายิ่งรู้ว่าใจของเราห่างคําสอนเท่าใดยิ่งต้องรีบหันกลับมาเท่านั้นเพราะถ้าไม่หันกลับมาเนี่ยเดือร้อนแน่ยังไแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าอายุศาสนานนะ่าจะอยู่ไม่นานสักเท่าไหร่นะรู้ชัดเลยไปเถอะประเทศที่เคยมีผู้ศาสนานตอนนี้เหลืออะไรบ้างก็เลยเหลือรัฐพิหารว่าบงั้นก็รัฐตรงไหนเขาบอกที่มาของคําว่ารัฐพิหารเนี่ยอินเดียนี่พออเพราะอะไรเพราะขุดตรงไหนมีแต่วัดอะ ขุดลงไปมีแต่เรว่ามีแต่อิฐมีแต่ปูนที่เขาไ้สร้างวัดทั้งนั้นน่ะทั้งก็เลยเรียกว่ารัฐพิหารอย่างประเทศอินเดียนะเามีอยู่หลายรัฐอ่ะนะแต่รัฐพิหารก็แต่ว่ารัฐที่ไปส่วนใหญ่มีอยู่สมรัฐคือรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศหรือรัฐยูพแล้วก็รัฐเดลีนั่น รัฐเดลีมีมีสนามบินกับมีไอสถานที่พระองค์แสดงสติปัฏฐานที่เรียกว่าแคว้นกุรุส่วนรัฐพิหารก็มีอะไรมีเชตาวันเนี่ยนะมีเชตาวันมีพาราันศีมีกุศินารานี่ก็อยู่ในรัฐอุตรประเทศส่วนรัฐพิหารก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแสดงสถานที่ตรัสรู้แล้วก็ประทับอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะมีตั้งพวกปาตาลีบุตรพวกภัยสาลีพวกราชครึกพวกนาลันทาเป็นต้นเนี่ยนะก็มีแถวนั้น พันธุ์ตอนนี้ก็เหลืออะไรบ้างก็เหลือแต่ซากนะเหลือแต่ซากเออถามว่าเอาที่นั่นมีพระภิกษุไหมมีมีคณะสงฆ์ไทยนะพระภิกษุไทยพระภิกษุชาวศรีลังกาชาวพ ม, มา่าชาวหลายๆประเทศไปอยู่ที่นั่นบอกไปเรียนอะไรไปเรียนปรัชญาไปรเรียนปรัชญาไปเรียนภาษาเทั้นั้นไม่ได้ไปเรียนอริยสัจอะไร นะเพราะฉะนั้นในลักษณะตัวที่เป็นคําสอนก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วเพวันต่อไปบ้านเราเมืองเราถ้าไม่มีการศึกษาอริยสัจให้เพียงพอเนี่ยนะต่อไปเราจะต่างอะไรจากที่นั่นจะต่างอะไรจากณนะแว่นแขวนแห่งนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เป็นความเข้าใจถ้าไม่มีเข้าความเข้าใจก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะแม้กระทั่งสารนังคฉ า, ามิพุทธมามะกะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า เอาตรงไหนเป็นประมาณเอาที่พูททางสารนังข้าฉามีพูททางสารนังข้าฉามมีเอาตรงไหนเอาที่ความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจเรียกว่านับถือถ้าไม่เข้าใจเรียกว่าไม่นับถือเนี่ยนะถ้าเข้าใจเท่าไหร่ก็นับถือเท่านั้นจะเสื่อมจะเจริญก็ดูที่ความเข้าใจว่าเรามีความเข้าใจในพระพุทธคุณขนาดไหนเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขนาดไหนเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์เอามาบอกเอามาสอนมาแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยอย่างไร แล้วถามใจเราอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเราต้องการจริงๆไหมถ้าเราต้องการจริงในโลกนี่อย่างอื่นนะเราจะมีการมีโครงการใช่จะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งจะมีโครงการก็เราว่าเขียนแบบเขียนแผนเขียนโครงการใช้ทุนใช้อะไรมีโครงการชัดเจนหมดแล้นะทำเป็นเรื่องเป็นรามีแฟมเต้ไปหมดเลยแต่ถ้าในทางนี้เรามีโครงการอย่างนั้นไหม มีโครงการมีวิธีการมีหลักการอะไรมัง่งแล้วเห็นความแนวโน้มความเจริญเติบโตหรือว่าแนวโน้มทางความเสื่อมมีการบริหารเรียนรู้อย่างรอบคอบเป็นต้นลักษณะนั้นไหมที่จริงมันชีวิตทั้งชีวิตเรากลับไม่ค่อยสนใจเลยนะแต่ว่าในสิ่งเรื่องราวภายนอกเรากลับให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ก็นี้แปลว่ า, าศาสนาน่าจะไม่ถึงเลนเท่าไหรนะ่นั่น ถึงเลนก็ถึงถึงไปสภาพไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะเพราะว่าถึงตอนนี้ก็ว่าชายกระโปรงชายกางเกงชายอะไรก็ข้ามหัวพระพุทธรูปแล้วต่อไปอนาคตหนักอันนี้เองเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าสถานที่ ท, ที่ไม่สมควรพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั่วไปหมดที่ที่ไม่สมควรเคารพกราบไหว้ต่อไปพระพุทธเจ้าคือชายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งที่มหัศจรรย์ในโลกแค่นี้ก็ไม่ใช่ศาสดา ข, ของเทวดาและอะไรทั้งหลายทั้งนั้นแหละไม่ไม่ไม่รู้จักอิติปิโสรู้จักเทพบ พระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสิแต่พระพุทธเจ้ามีคุณยิ่งกว่านั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ยุคลังหลังๆมาแม้กระทั่งหน้าโมตั้งไม่เป็นเลยเขามีเคยถามเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาบวชให้ว่าอะไรก็เงียบให้ว่าอะไรก็เงียบก็ถามจริงๆว่บคุณตั้งหน้าโมเป็นไหมโกรธเลยนะแต่ว่านานในที่สุดเขามาทบทวนตัเออใช่วันนั้นเขาตั้งหน้าโมไม่ได้เลย ก็นโมนโมอา้าวานโมสครั้งที่ก็นโมนโมนโมก็ว่านโมสครั้งจริงๆอ่ะแต่ว่านโมตัสสะพระควาตัวรหัโตัสัมมาสัมพุทธะว่าไม่ได้แล้วอรหังเอ่ออรหังก็อรหังแต่ว่าเลยไปกว่านั้นอีกไม่รู้ละอิติปิโสก็เอาอิติปิโสแต่ว่าเกินไปกว่านั้นก็ไม่รู้แล้วมันจะรู้แต่คําได้จริงๆหนักๆเข้าก็เหลือในภาษาภาษาเวทมนตธีมะสังอังคูอยครั้งนี้ลูกเออไปท่องไว้เถอะลูกครั้งมากนะที่ไหนได้มันเป็นรหัสย่อเนี่ยนะเป็นคําย่อของ นิกายห้าเนี่ยนะเช่นอสังวิสุโลปุสะผู้ภาวนี่ลู้ก็เอ้ยมขลขังมากอาก็อรหังอะนนสังก็สัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะอะสังวิกว่าวิชาจารณะสัมปันโนจําได้แต่รู้ว่ามนขลขังแต่ไม่รู้ว่าอิติวิโสภควาอารหังสัมมาไม่รู้แล้วเนี่ยนะ หรือว่าอิสวะสุสุสวะอิศอะไรอีก็อิติปิโสก็สวาขาโตสุก็สุปฏิปันโนอุ้ยบทขลังมากเลยก็รู้แต่ว่าอิสวาสุสุสวะอิพระประสงพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์พระธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่รู้แต่ว่าอิสวาสุสุสวาอิศขลังมากเลยว่าไออย่างอื่นเราไปรู้ไหมออกไม่รู้ไม่ก็เหลือเป็นบทมนครั้งในที่สุดก็ไม่เหลือศูนโยบนายงเหมือนทองฟ้าที่ปราศจากอะไรนะ ไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนท้องฟ้าที่ปราศจากเม็ดหมอกดั้นคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ใครค่ครวญก็จะศูญย์เปล่าเหมือนอากาศเนี่ยนะไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือโ น, น้นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาเปิดเอยมาตรสรู้ใหม่ว่ า, านะพระองค์ก็มาตรัสเอกายโนยังพิกเวมัคโคสัตนานวิสุทธยานะขอมาประกาศดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเนี่ยนะก็กลายเป็นของอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มาก ของเราก็มาดูว่ารุ่นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะจริงๆนะฤดูนี้มันเริ่มปลายฝนจริงๆแะท้องฟ้ามันฟ้าผ่าบ่อยๆเรียกว่าปลายฝนเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวเข้ามาไม่น่าของมาป่วยบ่อยเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็ต้องศึกษาให้มันดีๆหน่อยนะไม่ถ้าศึกษาไว้ไม่เพียงพอจริงๆเนี่ยนะพรมาว่าเขาจะไปบ่นเลยศาสนาเสื่อมเพราะใจของเราก็ไม่ค่อยจะมีศาสนาอยู่แล้วเนี่ยพักสักครู่กันเดี๋นี